ท้องทำกันเนาเพื่อให้บัญทันสมัยจิกหน่อยอย่าปล่อยเวลาทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์กวรนที่จะให้มอง <c oughs> ให้เห็นให้ทำอะไรที่บังทีเป็นรวมถูก ความชอบในการที่เรามีชีวิตอยู่เนคือธรรมชาติคือธรรมะเข้าให้ถึงไม่ว่าอะไรคาว่าธรรมชาติ่มันยิ่งใหญ่ธรรมะก็ยิ่งใหญ่ธรรมะมาจากคําว่าธรรมชาติเช่นป่าไม้ แผ่ดินแม่น้ำอากาศยิ่งใหญ่อยู่ที่ไหนอากาศก็ต้องเป็นอากาศให้จะมีการปนเพื่อนไปเกิบสิ่งแวดแล้อมก็ยังขอเป็นอากาศอยู่แผ่นดินแม่น้ำเหมือนกันอยู่ที่ไหนก็ขอเป็นแผ่นดิน จะเป็นเม็ดดินเม็ดทรายเล็กน้อยก็ยังเป็นดินอยู่เือแม่เม็ดเต้าร้อนก็ยังเข็มอยู่น้าอ้อยน้าตาลแม่จะถูกเครื่องยนต์กลไกอยู่ในความร้อนความเย็นรวมหนาวก็ยังเป็นรสหวานอยู่ คือธรรมชาติไม่จันทรที่มันไม่หมไม่จะแห้งพออยู่ที่ไหนก็ยังมีกินไม่จันทอยู่นี่คือธรรมชาติชีวิตเราเมื่อเข้าสู่ธรรมชาติมันไม่เปลี่ยนแปลงคือไม่เป็นอะไรดินก็เป็นดินน้าก็เป็นน้าไม่เป็นอะไรเป็นเดินไป ชีวิตเราเนั่นก็เมื่อถึงธรรมชาติแล้วแม้จะมีความแก่มันก็ไม่เป็นอะไรกับความแก่เมื่อมีความตายมันก็ไม่เป็นอะไรกับความตายแม่้มีความไม่เที่ยงมันก็ไม่เป็นอะไรกับความไม่เที่ยงอาจจะได้ไปอยู่ที่ใดชีวิตของเรา เหมือนกับดินไปอยู่ที่ไหนก็เป็นดินไม่เกี่ยวกับใครจะยกจะเอาไปที่ไหนจันใดชีวิตเราเมื่อเข้าถึงพร้อมไม่เป็นอะไรคือธรรมะอันสูงสุดของชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันเป็นของยิ่งใหญ่นานปรรมชาติไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เท่ากับธรรมชาตินี้ เออยู่ในชีวิตของเราเนี่ยเราว่าความมาเที่ยงเป็นทุกข์มันก็ธรรมชาติของหมันแต่ชีวิตเราไม่เป็นเป็นเช่นนั้นจะพัดภาคเก่าของร้องของชอบใจมันก็ไม่ใช่ธรรมชาติอนั้นเป็นของที่พัดภาค ดินที่นี่อาจจะประโยชน์ที่อื่นก็ได้ดินที่ประเทศอื่นอาจจะประโยชน์ประเทศไทยก็ได้ดินในประเทศไทยจะประโยชน์ประเทศอื่นก็ได้ก้อนดินก็เห็นเหมือนกันบางทีมันก็มีค่าเกนเล่ใน ก, <c oughs> ก็เรา เลมาให้เอามาให้ก็าทำเป็นเหรียญทำเป็นเหรียญเจยกอบสวยงามเอามาใส่ผ่ามือเอามาจับดูเอาที่แรกก็ไม่มีผ่ามือก็ไม่มีอะไรก็เรามาวัด เคื่อบตัว่าวัดจีนี่มันก็ได้พอจับแร่ไปวัดนี่โศกเป็นยากไปอา้าวมันเป็นอะไรมันก็เป็นธรรมชาติไม่ใช่ศยสาศาสตร์นั่นเป็นวิทยาศาสตร์นั่นเป็นธรมนนนธรมชาติอันนั้งที่มันเกิดจากธรรมชาติ เช่นเราเชี่ยวก้อนดินก้อนหินมันไปอยู่ในปากมันก็ยังไม่เป็นอาหารเราพยายามคลายออกได้คือธรรมชาติของเขาแม้จะมีการเก่การเรกรเร็บการตายมันก็เป็นอันของเขาแต่ความเป็นไม่เป็นอะไรมันก็เป็นอยู่เช่นนั้นอันนี้น่าจะเป็นสมบัติของเรา เราจึงพยายามที่จะให้มีสถานที่มาศึกษาและ่อนี้ให้จนได้ตามที่เรามีชีวิตมีกำลังเหมือนเรารักษาธรรมชาติภายนอกป่าไม้แม่น้ำพยายามเต็มที่ที่จะให้ธรรมชาติอันนี้มันยังไม่เป็นวัตถุแต่ว่าหอใหุ้มไนอยู่กับชีวิตของคน เราทำทุกอย่างไม่จำเป็นก็อย่าไปตัดปลายต้นไม้อะไรอย่าไปอ้าวอน น, น่นีน่ถ้าไม่จำเป็นถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปขุดดินให้มันเป็นอื่นไปแม้มันจะเสียหายเพราะถูกทำลายก็ายามรักษาป้องกันมันให้เป็นธรรมชาติอยู่ตรงนั้น พอที่จะสร้างเสริมธรรมชาติได้ก็เสริมลงไปรักษาลงไปสร้างกำแพงอ้อมไว้อะไรที่มันเป็นภัยต่อธรรมชาติพยายามช่วยอ น, นั่นเป็นวะระตูภายภายนอกของชีวิตเราส่วนวัตถุภายในชีวิตเราคือธรรมชาติคือไม่เป็นอะไรแหละไม่มีใครช่วยเราได้แล้วมันก็ทาเองได้อยู่ <c oughs> ไม่จาเป็นต้องให้ใครมาช่วยทำได้อยู่อย่าสละสิตตรงไหนเวลามันหลงไม่หลงได้เวลามันทุกข์ไม่ทุกข์ได้เวลามันโกรธไม่โกรธได้มันจะดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจไม่เป็นอะไรง่ายง่ายง่ายง่ายไม่ยยง ม, มายา ถ้าไปเป็นอะไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมมันละมันยากกว่าความหลงเป็นความหลงมันยากความทุกข์เป็นความทุกข์มันยากแสนยากความโกรธเป็นความโกรธมันยากแสนยากความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแช้นใจอาการไม่เป็นเรื่องสบาย เอากายไม่เรื่องไม่สบายเอาใจไม่เป็นเรื่อาางสุขทุกข์มันไม่ใช่ธรรมาชาติมันเป็นความเพี้ยนไปของการใช้ธรรมาชาติไปจะเจงขนาดไหนมันไม่ได้ไปเอากายเป็นสุขโอากายเป็นทุกข์เอาใจเป็นสุขเอาใจเป็นทุกข์แสวงหากันเหลือเกิน เอาเดือนแล้วเอาเรียกร้องการบริการเพื่อให้มันเกิดชกเกิดตกมันไม่เก่งอันนั้นเป็นส่วนประกอบแต่สิ่งที่มันเป็นจริงจริงไม่เป็นอะไรนะเอานี่เป็นหลักไปก่อนมันง่ายๆ <c oughs> วิธีทําก็มีแล้วมีสติเห็นให้เห็นให้เห็นอยากเป็นการเห็นไม่เป็นเนี่ยมันไม่ยาก การเป็นมันญากลกัวจึงเป็นเรื่องที่น่าบอกกันในเรื่องนี้นไม่ใช่ไปบอกกันอย่าเบียดเบียนกันนะอย่าอิจฉากันไม่ใช่เลยอย่าไปพูดก็ได้ให้เขาปฏิบัติลงไปเมื่อเขาเข้าสู่ธรรมชาติไม่เป็นไรเขาก็ไม่เบียดเบียน เ, เขกเองไม่ใช่คําสอนเป็นการตัวกระทํา ถ้าเราไม่เป็นอะไรแล้วอย่าไปพูดให้เมนเสียเวลาอย่าบีเบียนกันอย่าอิจฉากันอย่าเอารัดเอาเปรียบกันอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนอย่าทำคนเป็นทุกข์ไม่มีประโยชน์พวกเราอย่าไปพูดมันม่นเลยมอทาอย่างนี้มาเลยมานี่ก็ไม่ต้องขออนุญาตจากใครมีสิทธิร้อยเปเที่นี่ประเทศไทย ถ้าประเทศเดือนมาก็าต้องขอวีซ่าําวพัชปอด <c oughs> นี่เขาก็นหมนต์ย้อนต้งจ้อนโนดหลวงพ่อไปญี่ปุ่นให้ไปพูดธรรมชาติธรรมชาติมีที่ไหนเราให้ไปพูดอีกว่านเขาให้พูดธรรมชาติอะไร มันไม่มีมันไม่มีเสียงอยู่แล้วมาเป็นเสียงแทนกันบ้างมาเป็นขามาเป็นสติปัญญามาแทนกันบ้างให้พูดเรื่องไม่เป็นไรนะให้มากๆ ม, มันยืดทันสมัยทุกวันนะี้ธรรมชาติตอนนีน้แม้แต่เดี๋ยวนี้ทั่วโลกมีปัญหาเรื่องธรรมชาติจิงแหวนล้อมเดี๋ยวนี้ก็พึงกลับมาสายเกินไปบาง ที่ก็แค่ไม่ได้แล้วจนเกิดวิบัติทางทะเลมหาสมุทรทองอ่างอากาศมันแค่ไม่ได้ถ้าเราไปดูหลังโลก <c oughs> เป็นหน้าเสียดาย <c oughs> มันก็คืนมาได้แล้วโลกเนี่ยมันเล่าไปแล้วรอยตะเข็บของโลกเล้ามากเส็จแล้ว อันโลกเล่าไม่เหมือนแผ่นดินเล่วมันเหมือนกับ น, น้ำมันเล่าไม่ได้เราไปตักน้ําออกมันก็จะให้บบเป็นเป็นหลุมไม่ได้อันโลกใบเนี้ยเรามีดขีดบนน้ามันยังดีได้ง่ายแต่โลกเนี้ยมันมีอะไรยิ่งใหญ่กว่าน้ํามันไม่เหมือนแผ่นดินแผ่นนี้เอาจอบไปขุดยังเป็นรอยจอบ หเห็นเราไมื่ไปขีดจังเป็นรอยเห็นอันโลกเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันล้ามันก็ช่วยไม่ได้แล้วเพราะมือคนเราไปทําที่ไม่รู้จักมาใ้ชีวิตเราเนี่ยก็เหมือนกันไปทํำให้ ม, มันผิดพลาดเพราะสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งแวดล้อมที่ทําให้สูญเสียกับธรรมชาติในตัวเราบางโอกาสเราไม่รู้ วิ่งไปตามอะไรต่างๆแต่ความมันไอยู่ห่อเข้าสู่ความไม่เป็นอะไรคือธรรมชาติตัวนี้แล้วมันไม่ต้องไปบอกกันศีลก็จะมีขึ้นความหนักแน่นก็มไม่เป็นอะไรมันหนักแน่นยิ่งกว่าศิลาแท่งทึบมันก็มีสมาธิมันก็ไม่หวั่นไหว ถ้ามีความหนักแน่นแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวแล้วก็มีสิงใดที่ทําให้เกิดเพี้ยนไปมันเท่าสู่ธรรมชาติถ้าจะอยู่กับคนก็เป็นปัญญาเป็นปัญญาเหมือนธรรมชาติเนี่ยพ่าทางทิศเหนือทิศใต้สลาร์เราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอยู่เนี่จะมีไฟไหม้ก็ไม่ไหม้ ไฟไหม้มาจึงก็ถูธรรมชาติมอดลงแถวที่อยู่ของอุบาสิกาเหมือนกับอาจารย์จงฉินชวนไม่ออกขนของบอกจอกไปอยู่สลาน้ำเอไม่จีแอ็หเมารถมอไซไปหาหลวงตาที่วัดภูกขทอง เราจะยองไงไฟไม้ปล่าหมดแล้วแถบเนี่ยอาจารย์ทรงเืลบอกนะขนของไปสระน้ำหลงตาว่าว่าไม่ต้องขนมันไม่เข้ามาถึงนั่นได้ธรรมชาติมันยิ่งใหญ่มันไม่ไมมาหรอกเพราะไม้เข้าไปเลยก็หมดเนี่คือธรรมชาติ คนโลเมื่อไม่ถึงเข้าถึงความไม่เป็นอะไรแล้วมันก็เกิดปกติเกิดไม่วันไปประสาอะไรความแก่ความเจ็บความตายถ้าเข้าถึงความไม่เป็นไรคือธรรมชาติตัวแหนจะให้ไปจับเหมือจับเท่ามันจับกันไม่ได้ต้องทาขึ้นมาเริ่มต้นจากความรู้สึกตัวแหน่ ให้มีความรู้สึกตัวมันไปแล้วกลับมากลับมาอันธรรมชาติในตัวเราไม่เหมือนแผ่นดินไม่เหมือนโลกภายนอกมันประเสริฐไม่ใช่แบบนั้นพันรับ้า้ <c oughs> ไม่ต้องอ้างว่าแ่ว่าหนุ่มว่าสาวว่าสุขว่าทุกอย่าเอามาขวางกันจะดินนิจใจมันเพียนเทีใจนิจใสมันก็ไปอยู่ มันหลงก็รู้ได้อยู่นี่คือของจริงในชีวิตเรามนุษย์มันประเสริฐตรงนีน้ไม่ใช่เพศไม่ใช่วัยไม่ชรธินิกายทําลงไปให้ทำไม่ใช่ไปสอนให้รู้ใครก็รู้น้องอยู่นี้ไม่ได้คนรู้ทังนั้นไอเชีหมโเนี่ยก็จบปัญญามาก็มีพระนี่จบปัญญาก็ถ้าโจมก็ จบปัญญาก็ไหนคนต้องมีอะไรที่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งดีๆพอตัวว่างแต่ความอนั้นไม่ใช่สิ่งที่สิ่งที่ไม่เป็นอะไรต้องประกอบกันมามีอยู่ทุกของทุกแ ก, ก่งวันสุกเห็นวันสุกไม่เป็นผู้สุขไม่ยาก มันทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกบันหลงเห็นบันหลงแล้วก็มีเท่านี้เอาจริงๆมีผวามหลงทึกสาระเนี่ยมีความหลงพอมีความรู้เห็นความหลงง่ายง่ายถ้าเห็นความหลงเปลี่ยนหลงเป็นรู้ก็ง่ายง่ายถ้าเปลี่ยนหลงเป็นรู้ไม่ต้องทำอะไรมันก็ทําไมเปลี่ยนเหมือนกันเอาเมือมาวางไล่บน พลิกมือเคลื่อนมือให้รู้สึกความรู้สึกอยู่กับกายมีฐานมีที่ตั้งมันจะยากอะไรทุกคนเมีกายทุกคนมีความรู้สึกตัวทุกคนมีความหลงมีตาเห็นลูกมปหูที่ยินเสียงอาจจะเป็นลงตาผู้เดียวที่มีหูไว่ได้ยินเสียงน้อยท่านที่อยู่ที่นี่ได้ยินไหม ได้ยินไหม่ลวงตาพูดไงเฮ้ยมันไม่อะไรมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วอันหลวงตาไม่ได้ยินนะที่พูดอยู่นี่เสียงแต่งก็ไม่ค่อยได้ย็นนะไม่ได้ยินเสียงแต่งไม่รู้คูดจังไรอันนี้แต่อันสิงที่ไม่เป็นอะไรไม่ได้ยินก็ไม่เป็นอะไรได้ยินก็ไม่เป็นอะไร ไม่เสียหายนฮแม้แต่ตาจะบอดก <citing enemies> ็ไม่เป็นไรไม่เห็นก็ไม่เป็นไรอ่างูห <Forget S 2> <Freeze. S 1> ัวก <t> ็เป <c> ็นไรแม้มันจะตายมันก็ไม่เป็นไรไม่ตายกับความตายมันก็เป็นอะไรมันไม่เป็นอะไรไม่เก็บกับความเก็บมันก็ไม่เป็นไรอยู่ความเก็บก็ไม่เป็นไรความเก็บไม่ใช่เป็นความเก็บ มันเป็นอะไรมันไม่เป็นอะไระท่านจะไหมที่สุดยอดเยี่ยมชีวิตแบบนี้ให้ถึงให้มีในชีวิตเราให้ตาอย่าสะละสิทธิขอเป็นเมตเป็นเพื่อนขอเป็นไม่ทอดไม่ที่งตรงนีนว่ายังมี สิ่งเหล่านี้อยู่กับคู่โลกเมื่อมีมนุษย์คนอยู่ที่ใดต้องมีเรื่องนี้ทั้งนั้นดังที่เราสรรเสริญพระพุทธคุณทำมคุณสังฆคุณทุกวันงดงามไพเราะไม่ใช่ฟังเสียงแบงเสียงดนตรีมันเสียงธรรมชาติเรายังมีเสียงแบบพระพุทธเจ้าได้ พูดได้ออกจากพระโอษขององค์อยู่ทุกวันเนี่ยยอเยี่ยมมากบรรพูลุดของเรามันก็มีอันนี้มันกระตือรือร้อนกันหลายชีวิตสมัยครบพุทธกาลที่ประสบกับเรืงนี้จริงๆหลายชีวิตหลังพุทธกาลมา หลายชีวิตในบรรพูหลุษของเราครูบาอาจารย์อุปชาครูบาอาจารย์พ่อแม่ของเราหลอยชีวิตที่เรานั่งอยู่นี่มีธรรมชาติอยู่แล้วไม่เป็นไรอยู่แล้วนะพยายามพยายามทําให้มากให้มันมีให้มันมากขึ้นมาเริ่มต้นจากความรู้จักตัวเนี่ย เราทำเจ้าจากความรู้สึกตัวไม่ได้เชื่อได้หาที่ไหนหายใจก็รู้สึกตัวได้ผิบตาก็รู้สึกตัวได้เป็นอุปกรณ์วัดสดุอุปกรณ์มาผิดความรู้สึกตัวรีว่ามนุษย์สมบัติใช่ได้อันที่มันไม่เป็นอะไรมันใหญ่กว่าความเป็นอะไรความเป็นอะไรนิดหน่อย ก็ไม่เป็นอะไรยิ่งใหญ่ไม่ไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบได้เปรียบเทียบเหมือนช่างซะใหญ่กว่าสัตว์อื่นในโลกอ่าไดโนเสารเราก็ไม่เห็นแล้วเห็นทุกวันนคือช้างเราได้เปรียบเทียบเหมือนช้างอีกสักไม่กีวันนีอาจารย์สายหยุดจะไปเอาช้างมาไว้ที่เน่ หมาห่าช้างกิเลสเหมือนหมาสติเหมือนช้างสติถ้าเปรียบเหมือนนกก็มืนอินทียใหญ่กิเลสนี่บ่นละธรรมขวมขวมกั้นขวมกันเห ม, มือ น, นแมลงเฉยๆไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบเอาสัตว์เอาวัตถุอื่นมาเปรียบเทียบ พระพเจ้าเคยเปรียบเทียบคำสอนทั้งหมดเหมือนลอยเท่าของช้างคมสอนทั้งหมดเหมือนลอยเท่าของสัตว์หลายประเภทไม่ใช่้างอความสอนที่เป็นจะจะนิดนอยนิดหน่อยคือเหมือนลอยเท่าของช้างว่าไม่เป็นอะไรเหมือนลอยเท่าของช้างว่าเป็นอะไรเหมือนลอยเท่าของสัตว์อื่น แต่เมว่มอเมฆควายเมฆหูหมาเป็ดไก่อะไรต่างๆเยอะแยะภาวะที่มันเป็นอะไรนะั้นเหมือนรอยเท่าของสัตว์อื่นแต่ความไม่เป็นไรเนี่ยเหมือนรอยเท่าของชาติลอยเท่าของสัตว์อื่นมารวมลงรอยเท่าของช้างได้ความลักมารวมลงเนี่ยไม่เป็นไรเมื่อมาถึงรอยเท่าของชางิเขาเป็นรอยเท่าของช้างไปเลยก็ไม่เป็นไร คามสุขความทุกข์เหมือนรอยเท้าของสัตว์อื่นเมื่อมาลงอยู่รอยเท้าของช่างคือคงไม่เป็นไรก็ไม่ก็เป็นอะไรเป็นรอยเท้าของช้างอยู่ ม, มันขนาดนั้นภูเขาศิลาแท่งเทือไม่สะเทือนเพราะลมเพราะสิ่งอื่นคมไม่เป็นไรเหมือนภูเขาศิลาแท่งเทือกลงต่อไปประเทศ อินโดนีเซีย <c oughs> ไปเห็นวัดหนึง่งสมัยนานเท่าไหร่มารู้อยู่ในมาสมุทอินเดียเค้นเนี่เท่าสลาเนี่ยมาเทโลกชนเปี้ยงเพีย ง, ย, งยังเป็นห็นศิลาบนวัดนั่นอยู่วันทน นั่นเป็นวัตถุเสียงของแต่ความไม่เป็นอะไรอยู่ในชีวิตเรายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าเจียงเหล่านั้นจะมีเดนทาสนเสริญจะมีสุขมีทุกข์มีได้มีเสียอะไรมันไม่เป็นไรนี่คือจุดหมายปลายทางของชีวิตเราถ้าถึงได้แต่วันนี้มีได้ทําได้ตั้งแต่วันใน่าเป็นประโยชน์ ไม่ใช่ประโยชน์แกเราประโยชน์แกโลกโดยมันมันมันจะอยู่ไม่ได้จะต้องบอกกันเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญามีผลกระทบในทางที่ที่ดีก็ว่าแล้วอยู่ที่ไหนก็ดีก็มไม่เป็นอะไรอยู่กับป่าป่าก็ดีอยู่กับดินดินก็ดีอยู่กับนา้นาน้ําก็ดีอยู่กับอากาศอากาศก็ดีอยู่กับคนคนก็ดี มีเล็บมือนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรมีอะไรนิดหน่อยก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรอยู่กับคนนะมันไม่เหมือนกับค้อเห็นมันใช่ได้ตุองจงมาพูดออกมามาแสดงออกมามาดูมาดูมาดูาดฟังฟังที่เรานี่เราไม่เคยกล่าวมาก่อนยานเกิดขึ้นแล้วเจรเรา แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วจเจอเราปัญญาเกิดขึ้นแล้วจเจอเราเราไม่เคยได้รู้เรื่องนี้ชวนปัญญาวิเคนะถ้าจะพูดเราไม่อายแล้ก็เตยเลือล้นเราตัดจะรู้อนุตตสัมมาสัมโพธิยานแล้วแต่เมตัดสะรู้นี่ไม่เคยได้เย็นในโลกมาก่อน คนัญยาได้ยินเขาว่าเราได้ตัดจะลุอนุตตระสัมมาสัมบธิยาตไม่เคยได้ยินครูทั้งหกก็ไม่ได้พูดลองในเลยสันใจรัตบทอธิ ก, กรรมพลกุก ก, กระจายนะมัครีโกสารทิสาปามโมทไม่ได้พูดลองในเลยเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ ก่อนพระเจ้าพระเจ้าพราะชิตามาพูดเป็นคนแรกที่อีศิปตนะมฤคตายวาันเดือเพเดินแปดนับจากวันนั้นถึงวันนี้สองพันห้าร้อยสองพันเก้าร้อยสองพันห้าร้อยเก้าเก้าสิบเก็ดป นับแต่วันปรนิพันา์ถึงวันนี้สอง2ันห้าร้อยห้าสิบสองบวกสี่จห้าปีเข้าไปเป็นสองพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดปีแกไหมอันนั้นไปพูดออกจากปโป๊ดคำแรกที่สุดโกนัญญาสะดุ้งขึ้นมาเงี่ยวหูวฟัง สองกอเทสไปบอกไปตั้งแต่ทางพูด ล, ลงทางกลองหลงไม่ใช่ทางกลองรู้ว่าไม่เป็นไรเคยทางกลองทุกไม่ใช่ทางก็งไม่เปลี่ยนอะไรเห็นมันทุกเป็นทางแต่พูดไง่ายๆนะกองสุข ไม่ใช่ทางเห็นมันสุกไม่เป็นทางถ้าเป็นสุกมันทางทางสุดตรงถ้ามันทุกข์เป็นทางตันมันทางสุดโต่งมันทางตันบันปลคิดผู้เห็นภัยไม่ควรเสพมีไหมความสุขมันตันไหมเออสุขความสุขมันสุดตรง ถึงที่ไหนอิ่มรู้จักอิ่มเรียจักพอไม้มันสุดต่งไม่ถึงอะไรเลยเอาขอเบื่อชีวิตที่มันสุกๆมีผู้หญิงคนหนึง่งเบื่อความสุกเห็นคนนายต้อไีหบปตอนตาเตินทรดไปแถวบูดอนไปสแสดงทำอยู่แถว นั่นก็มาฟังเทศล้วขอติดตามเป็นผู้เยียงที่สุขุมมันชาติเป็นคนน้อย <c oughs> ตื่นขึ้นมาลงเปิดประตูออกมามานั่งโต๊ะ ไม่น้ำร้อนน้ำอุ่นใม่น้ำเครื่องเดิมมาตั้งไว้เติมน้ำร้อนน้ำอุ่นน้ำชากาแปรน้ำล้างหน้าก็เป็นน้ำอุ่นแปรงฟันเอายาสีฟันใส่แปรงมาบางง่ายไปล้างหน้าน้ำอุ่นแปรงฟันน้ำอุ่นถานั่นก็มีเครื่องกิน อาหารกานกินที่หลับที่นอนหมอนมุง่งตกแต่งให้อย่างดีอยู่เช่นนั้นมานานล้วก็เบื่อเบื่ออยากไปใช้ชีวิตแบบท่านจะไปได้ยังไงมันหนาวนอนในป่าช้าสมไม่นั่นนะทุตรงสมาทานอยู่ป่าช้า ไม่มีที่มุงที่บงังจะอยู่ไปได้ไงจะไปอยู่ได้ไงไปไปไปน้ำก็ามาอยู่ขอไปก็บอกให้ไปชื่อกฎชื่อมงกกาถือการน้ำมีที่นอนพอที่กันฝนได้บ้างดังเป็นฤดูฝน ถ้าดูผลช่วงออกมันสาเดอนปิกิ่ไกี่กาไปเขาก็อยู่ได้อ่อนป่าช้าปรากฏนลยตามมาอยู่ที่นี่แปสิบเก้า มาอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ก็ลำบากมีลำบา ก, กวัวเดียวอาหารการกินลำบากอะลยคิดอยากไปตั้งสำนักแถวภาคตะวันออกแถวระยงแถวจังหวัดจันทร์มีคนให้ข่าวเขาชวนไปดู ไปดูเขาช่ำเมาบ้านจานชงศิลปะอยอมเดี๋ยวนี้ยังเป็นรงชา่างอยู่เพราะว่าไปอโยู่ไม่ได้ประโยู่ไงผู้เยงประโยชน์ืออย่างนั้นไม่ได้ห้ามเขาจะอยู่ที่นี่ก็ไม่กล้าชวนเขาจะพานแต่ก่อนข้ามลำบาดาไม่ลำเดียวเท่าเนี่ยตายไป เราก็ไต่ไปก่อนจะไปได้ไหมจะไปได้ไหมก็ค่อยค่อยคำมาคำมายังบอกเขาไต่ไม่อนเดียวมาคิดดูโอ้ยเราเนี่ยนันบ้าทช่ไมก่อนตัวทำอะไรได้หรือว่าคนอืงจะทำได้ <c oughs> แล้วก็ลำบากเอาไปสร้างมัดไปดูท้วยน้องที่ช ด, ด, ด, ด, ด ให้กลับบ้านขายโรงงานขายบ้านขายช็อกหมดปั่นทรัพย์สินใน้ลกให้เตองหมดส่วนนี้ของแม่ส่วนนี้ของลูกเอาไปไม่ให้ใครเดือดร้อนมาสร้างวัดต่อมาก็เลยมาบวชเป็นแม่ชีกับหลวงตาเนี่ยเนี่ยอายุยก็แก่แล้วเแจแ้าสิบกว่าปีแล้ว 80บกว่าปีแล้วหลองตาพูดั้งใครไม่ขี้น้อยของรจูจัอันนี้คือเอ้ามันก็ทำได้เนียนาขุนหนางขนาดไหนสุขุมมราชาขนาดหนถ้าฝึกตนเองมันทำได้นะเอยอ่อนแอมันเข้มแข็งได้นะเคยลักมันก็เห็น มีปัญญาพรผกความหลักเฮยเกลียดเป็นปัญญาผมเกลียดเคยทุกข์ไม่ปัญญาพผะความทุกข์ความไม่เป็นไรนะนีเมื่อสองวันนี่หลวงตาได้รับจนหมายจากคณะที่มาปฏิวัติธรรมคณะพยาบาลที่มาหลองตามาอยู่ไปผูกข้อทองประมาทชนไม้วางอยู่ต๊ะ อ่นดูเขาเพราะว่าเขาประสบในการปฏิบัติบางก็ทาไม่ย้อนลึกคิดถึงอดีตที่ผ่านมาสิบกว่าปีเคยโกรธเพื่อนทะเลาะกันยังผูกโกรธไาอยู่พอมาปฏิบัติธรรมบ่ได้าาเย็นเสียงสองตาเทศได้เย็นก็เลย ความโกรธกลายเป็นความสงสารเพราะตัวเองก็ผิดได้โทรศัพท์ขอโทษไปได้ถูกโกรธก็โทรศัพท์ตอบต่างคนต่างต่างมีความสุขเปลี่ยนได้ทั้งสองคนมันเปลี่ยนได้จากความโกรธดีช้ากันมาไปสิบปีอื่นดีกันนะได้เป็นมิตรภาพไปเลยลวงโกรธเป็นความไม่โกรธ พ่าเจ้าจดหมายมาให้อ่านดูนนี้ก็มันก็ทําได้เดี๋ยหะคฟังกฎการไหนมันได้มันไม่เป็นไรแล้วมันก็ลืบไปเลยเลียบไปเลยนี่คือมันเลียบไม่มีขึ้นพก็ไม่เป็นไรมันไม่มีขึ้นในชีวิตของเราพยายามตรงไหนพวกเราไม่ได้ไปอ้อนวอนขอร้องมาง่าย เอียงแต่ความรู้จักตัวในป่าถ้ามีความรู้จักตัว่ามันจะเห็นอะไรที่มันไม่ใช่ควรู้จักตัวในชีวิตเ่าเยอะแยะเลยเอ้ามารู้จักตัวสานดยที่ไม่เหงาไม่ออกไม่ยากมันเลย่ยโยงโดยจำไปเดี๋ยวนี้กำลังมีลิ้นใช่ไหมแถวเห็นโคงลิ้นตัวลเล็กๆเจ้าหูน้องตาเดินอยู่โอ ก, กัดได้ อะไรล่นยังยากขวานความรู้สึกตัวอัะไรก็ไล่ไปตัวเล็กๆก็ไล่ไปไล่ไปมันกัก็ไล่ไปอันความรู้สึกตัวเนี่ยพอมันทุกก็รู้สึกตัวทันเลยนิ่งๆเนี่ยก็ได้นอนอยู่ก็ได้นั่งอยู่ก็ได้เดินอยู่ก็ได้ยืนอยู่ก็ได้ความรู้สึกตัวมีเยอะๆหายใจเข้ารู้ตัวไม่หายไม่ทำอะไรก็รู้สึกตัวได้ รู้สึกตัวเมื่อยงอกระับมันเข็บรู้สึกตัวลื้สตัวเมื่อมันหนาวรู้สึกตัวมั น, มนร้อนรูส้สึกตัวมันเห น, นืรูส้สึกตั ว, ม, ว, ตวมันปวดมันเมื่อยรูส้สึกตัวเยอะแยะเลยวัตถุแห่งเกิดวัตถุเกิดแห่งความรู้สึกตัวแถมไปหมดเดียวพระสูตรพระสูตรตัณฑ์ติดกสองหมื่นสี่พันเรื่อง รวมเป็นระเบียบเรียบร้อยสองหมืนสี่พันเรื่องหวงที่เป็นสิ่งที่วัดปฏิบัติลงไปเป็นศีลเป็นสมธิปัญญาสี่มืนสี่พันเรื่องรวมแล้วเป็นเท่าไหร่แปดมื 80, <c oughs> อนอันก็พูดเภีเตาคิดไม่ทัน ทั้งหมดมันแปดหมื่นสี่พันเลกสามสามตกากนะัเอามารวมกันก็เป็นสูตรไงกายก็เป็นสูตรนจิตก็เป็นสูตรเป็นพระสูตรสติก็เป็นสูตรความผิดความถูกเป็นสูตรมันก็จบลงที่ความที่สูตรนะ่ะความหลงก็มไม่หลงตัวนั้น ไม่ได้ปัหาทาที่ใดความทุกข์ก็มาทุกตรงนั้นเกิดที่ใดรู้ที่นั้นเหตุเกิดที่ใดดับตรงนั้นทั้งนี้ก็พอแล้วพระสาริบุตร้ฟังคาถาปาจิกิเหตุเกิดที่ใดดับตรงนั้นพระสํานักโคดมเป็นครูของเราครูของเราสอนอย่างนี้เรารู้เรื่องนี้ เานียเงสารีบุตรมรลุธรรมเลยพได้ดวงตาเห็นดาวพราะสำเนาโคดมอยู่ณที่ใดสารีบรจะกราบพระอาจารเป็นโค อ, อาจารย์พระชี้บอกว่าไม่จะมากราบเราถ้าจะกราบไปกราบพระสมโคพุทธเจ้าโลดพุทเจ้าอยู่ณที่ใดอยู่กรุงเราจะคือ เมื่อมเจ้าพิมุสานนลได้บทไปเลยต่างเทศพวกเจ้าได้เป็นตำแหน่งกับพโมกันลานะเพื่อนเจ้าสํารานหนุ่มเจ้าสํารานเป็นเสนาบดีสร้อยขัวยืนอยู่เนี่ยเห็นไหม เอกลาอยู่ขวามือเอกลาอยู่ขวามือสารีบยอยู่ซ้ายมือไเจ้าเรียกว่าเยหนาบดีต่อหน้นสารีบุตเ น, นี่ยไอเย็นว่าอาาัจฉริย์อยู่ที่ใดเวลานอนหันหัวไปเลยนนี้สารีบุตรกโตติดตามอาาัจฉริย์อยู่โน้นอยู่ เสียงข้อนั่งหันหัวไปทางนั้นเคยหันหัวไปทางนี่เปลี่ยนทิศทางแล้ยแล้วยินสารีบุตรที่ตรงนั้นหันหัวไปทางสารอยู่ทางไหนไปเลยมีความเคารพทางนั้นมันจะยากอะไรเหตุเกิดอยู่ที่ใดดักที่ตรงนั้นมันหลงรู้ตรงนั้นวันทุกข์รู้ตรงนั้นมันฉุกุ้ตรงนั้นมันโกรธรู้ตรงนั้นมันรักมันชังอยู่ที่นั้นมันงากมง่ายอยู่ที่นั้นรู้หลงไปลง ลู้ลงไปเปลี่ยนลู้ลงไปงมันหลงลู้หลงไ ป, งไป <laughs> สมควรใจเวลากาบพาะพีองกัน